ได้พากันนมำเสการพระรัตนตรัยแล้วต่อไปให้ตั้งกายให้ตรงทำองจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลลายให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลลายให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเว้นลายให้ใจเข้ายาวหรสั้น ให้ใจออกยาวหรอสัน้นให้พยายามรู้อยู่ทั้งนี้พฤติกรรมควบคุมสติสัมัชัญญะด้วยการเจริญสมาธิจิตมีความสำคัญอยู่ก็คือหนึ่งศีลบริสุทธิ์ธรรมศีลบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่จะบ น, นั่งบริสุทธิ์แต่เฉพาะเวลาที่เจริญสมาธิต้องบริสุทธิ์ตลอดการ รายการที่สองอยามควบคุมกำลังใจให้รู้ตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้เราทำอะไรอยู่และกายควบคุมกําใจกำลังใจก็ควรจะให้กิตทรงอยู่ในได้ของกุศลตลอดเวลาอย่างที่เราทรงศีลเราสมาทานศีลการกำหนดสติสมัจั ญ, ญา ก็พยายามให้รู้อยู่ว่าเวลานี้สิ่งของเราบริสุทธิ์หรือว่าบกพร่องหรือว่าขาดหรือว่าเสื่อมหมองพยายามทําลายเหตุที่ทําให้สิ่งขาดแลอบกพร่องและเสื่อมหมองให้หมดไปสร้างกําลังใจให้อยู่ในอารมณ์ของสิ่ควบคุมศิ่งได้ปกติอย่างนี้ที่เรมีสมาธิในด้า น, านศีรษะรู้สติกรรมฐาน ไย่ยามสงัดถ้าเราจะทาจิตทรงฌานเนื่ากวิญญาณกำหนดรูดลมหายใจเข้า ใ, ใจออกนี่เป็นขอสำคัญอย่างยิ่งจงคิดไว้เสมอว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาคิดเรื่องอื่นเป็นเวลาที่รวบรวมกาลังใจคิดเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นกุศลเท่านั้นสำหรับการจะฝึกจิตให้เป็นฌานให้จิตมีกําลัง นั่นก็คือการรู้ลมเข้าลมออกเวลาให้ใจเข้าภรรณาว่าพุทธนึกเอาในใจเวลาให้ใจออกนึกว่าโทส่ทงอารมณ์อยู่อย่างนี้จนกว่าจิตไม่สามารถจะคุมได้เมื่อผู้สร้างจริงๆก็เลิกเสียเวลาหลังทําใหม่ใช้เวลาควบคุมกาลังใจให้ทรงสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้เป็นปกติ อระมานวาระละสานาทีห้านาทีสิบนาทีเป็นพอแต่ถ้าใดดีกว่านี้มากใช้เวลาได้มากกว่านี้ก็เป็นการดีแต่ว่าจะจิตฟุ้งซ่านจริงๆบังคับมันอยู่ก็ต้องเลิกก็เป็นการยึดจุน่นี่เป็นการเจริญสมถะในตอนตอน้นแต่ว่าคำว่าตอนต้นในที่นี้ก็มีผลถึงพรพ ม, มโลกไม่ใช่ของเบา นี่สำหรับนักปฏิบัติใหม่หรือว่านักปฏิบัติเก่าก็ต้องทําสม่ําเสมอกันใหม่หรือเก่าไม่ทราบในการคุมอารมณ์ลมหายใจเขาออกมีความสําคัญแม้แต่องค์สมเด็จพระพกัลวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโซโซตัดว่าสาลีพุตธะดูก่อนสาลีบุตร <c oughs> เราเองก็เป็นผู้มากผู้ได้นาปาโนสติ ก็หมายความว่าพระองค์เองเป็นผู้ไเจ้าแล้วก็ทรงนึกถึงลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาเพื่อกายกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจกตอิต <c oughs> ทรงฌานได้แนบสนิทและสามารถระ ง, งับกายาสังขารที่ทุกเวทนาทางกายเสียได้นี่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับต่อไปนี้ก็จะขอพูดต่อและกรรมฐ า, าน คืนที่แล้วเมื่อคืนที่แล้วเรามาพูดทิ้งจังหวะไว้ถึงพระ น, นาคามีเพียเล็กน้อยเฉพาะพระนาคามนีนีต้องทำกำลังสมาธิสูงหน่อยที่เรียกนิวาอธิจิตสิกขาด้วยความจริงเท่าเราปฏิบัติกันมาตั้งแต่ต้นผ่านพระสูนดาบันผ่านพระสกิทาคามี ด้วยการขยันก้าวไปสู่พระอนาคามีก็รู้สึกว่าเป็นของไม่หนักเพราะว่าเราปรับปรุงกําลังใจเข้ามาเป็นลาดับไม่ใช่อักอ ก, ก็ยังโก็มาถึงครุบรัดพระอนาคามีเลยทีเดียวตอนนี้สําหรับพระอนาคามีก็มีสติบังคงเรียกว่าเมธีกิตตสิทธามีสภาบารท่ริ่งแต่ว่าใช้ปัญญาปานกลาง สำหรับด้านวิปัสสนานนไม่หนักอยู่ในเกณฑ์ปลายกลางอันดับแรกกาบพิจารณาขันห้าคือร่างกายได้รูปพิจนราสัญญาสังข า, ารวิญญาณที่เรียวกว่าร่างกายของเรารวมควา ม, มาร่างกายง่ายดีว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ในร่างกายที่เรามีอยู่มันเป็นปัจจัยของความทุกข์อย่างนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเรื่องพิจารณาไม่ใช่นึกเอาอย่างนี้เฉยๆถ้านึกอย่างนี้เฉยๆมันก็เป็นนกแก้วนกขนทองเกนไปใช้ไม่ได้ไม่มีผลกลายไปสม บ, บัติไป <c oughs> นี่การใช้ปัญญาพิจารณาคุปจารณาดูว่าร่างกายที่บอกไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรามันเป็นยังไงถ้ามว่าร่างกายแปรนิจจงมันไม่เที่ยงนั่งนึกหาความไม่เที่ยงให้พบความจริงก็ไม่น่าจะธิมบายกันเคยเป็นเด็กเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวกลายมาเป็ น, ค น, ค, นคนแก่นี่มันไม่ไมเที่ยงถ้ามันเที่ยงมันอยู่ตามสภาพเดิม ใช้ปัญญาเนะี่เวลานี่มันน้อยไม่ใช่จะมันนั่งไล่เบี่ยงอะไรทุกอย่างมันดูที่มันทําไมจะไม่เที่ยงผมเคยขาวเคยดํามันก็กลับขาวซ้ายตายาวก็กลับสัน้นฟันดีๆมันก็โยกก็โกลงก็ปวยก็เสียว <c oughs> ดีไม่ดีมันก็หักร่างกายเคยก็พี่ก็เปล่าห่อใส่ก็สุดโสม เรเรีเร่ยวแรงเคยดีก็สดโสรมไปความจําสมัยความเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวความจําดีแก่ก็เรลืมเลือนนี่สแสดงว่าสภาพร่างกายมันไม่เที่ยงนี้ถ้ามันไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้าเราไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราคิดว่ามันจะต้องเที่ยงมันจะต้องทรงอยู่ในมากเมื่อเมื่อมันเคลื่อนไปอย่างนี้เราดึงมันไม่ ไ, มได้ใจมันก็เป็นทุกข์ เป็นอนุว่าร่างกายถ้าเรายึดถือมันก็เป็นปัจจัยของความเป็นทุกข์นี่เราก็มานั่งทุกข์ว่าไอ้ทุกข์นี่มันเกิดมาจากไหนทุกข์เกิดมาจากตัณหาคือความอยากอยากให้มันทรงอยู่ไม่อยากให้มันเคลื่อนที่ยังไม่ได้มาอยากให้มันได้ก็้ามาเนี่ยร่างกายเรามีกำลังน้อยเป็นคนผอมเราอยากก้น อ้วนเกินไปอยากผอมตอนนี้มันไม่อ้วนสมความปรารถนาหรือมันไม่ผอมสมความปรารถนามันก็ลำบากใจทางที่ดีก็ปล่อยมันถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามั่เกิดขึ้นมาแล้วมันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะสุดโทรมก็เชิญสุดทรมมันจะป่วยไข้ไม่สบายก็ตามใจมันไม่เป็นเรื่องของมันมันจะตายก็เชิญ ถ้มันตายไปคราวนี้เราไม่ต้องการมันอีกไว้เจ้าหนี้มันเป็นทางแห่งความทุกข์เป็นตัวนํามาแห่งความทุกข์เราไม่เคยปราธนาเราปรารถนาอย่างเดียวคือผลิพานไอ้คําว่าผลิพา น, นีนความจริงเราไม่คล่องมีอารมณ์คล่องยึดเหนี่ยวเป็นอารมณ์มาตั้งแต่เริ่มต้น มีการถึงวร่าอนาคามีจะ ย, ยึดวิญญา์เป็นอารมณ์มันก็เป็นของ ง, ง่ายๆเพราะมันชินมาแล้วแล้วทำปัญญาแหเหนือเขาไปนิดนอกจากเจนนาวิปัสสนาญาในข้อนี้นี่พูดแต่โดยย่อเวลาจำกัดนี่เราก็หันมามองดูว่าพระอ น, นาคามีเนะ่ต้องตัดการมาชันทะได้เด็ขาดความรู้สึกในเพศไม่มี มีเป็นผู้เมียสุจิอันเหือดแห้งแล้วถ้าเราเป็นผู้ชายจะจับกายผู้หญิงหรือเป็นผู้หญิงจะจับกายผู้ชายมีการสมาัมผัสสิ่งกันและกันจะไม่มีความรู้สึกในติวเลยมันมีสภาพเหมือนกับเราจับวัตถุธรรมดา น, นาคามีต้องมียรมอย่างนี้มีการที่ทาให้เมียลมอย่างนี้มันยากไหม แล้วก็ไล่เดี่ยวไปถึงพระสิกิทาคามีเราเริ่มต้นกับมันแล้วเงืนทั้งความรู้สึกประเภทนี้เบาบางลงไปการผ่านสกิทาคามีเนี่ยมันเบาลงมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวกวาดให้มันเตียนลงไปเท่านั้นนี่วิธีเบาทํำยังไงวิธีเดี๋ยกวาดให้เตียนทำยังไงกวาดให้เตียนเราก็ต้องหันไปดูสมถภาวนา นี่เรื่องสมถะภาวนานี่แม้แต่พระอรหันต์่องก็ยังใช้อ ย, ยูจ่จะไปนั่งฟังพู้บรรดาทั้งหลายที่บอกว่าสมถะไม่มีความหมายต้องวิปัสสนาไม่ได้นี่เป็นอันว่าไม่รู้อะไรคือสมถะไม่รู้ว่าอะไรคือวิปัสสนาสมถะคือตัวสมาธินักปฏิบัตจิจริงๆทงั้งศีลต้องบริสุทธิ์อยู่เสมอสมาธิต้องทรงตัววิปัสสนาญาณต้องแจ่มใส สามรายการนี้เราจะแยกกันไม่ได้แต่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่มีผลมีการจะทำลายกามราคะเราก็ต้องใช้ส ก, กายะทิฏฐิส ก, กายะทิฏฐิเห็นว่าอั น, น, อนตรภาคร่างกายนี้มันเป็นดั่พยางารสามพิษสอง <c oughs> มันไม่มีสภาพเป็นแท่งทิพ ที่เราเรียกกันว่ากายมันแบ่งส่วนออกเป็นหัวบ้างเป็นแขนบ้างเป็นขาบ้างเป็นตับไตไส้ต่อด้วยบ้างเป็นม้ามที่บ้างเป็นเลือดเป็นเนื้อสบ้างความจริงมันมีส่วนๆเราเป็นสามิบสองส่วนในไม่มันร่างกายมันไม่เป็นแท่งทิพมันเป็นส่วนให้การเป็นส่วนเป็นชิ้นเป็นตอนนี้เข้ามาต่อกันเขามานี่ พอสมสรีเขาเ้าไปเรืยนร่างมันก็จีว่าไม่ใช่ของแน่นอนไม่มีการคงทนถ้าการส่วนใดส่วนหนึ่งอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมันสุดโทมนั่นหมายถึงว่าความทุกข์มันจะต้องเกิดก็เพราะว่าเมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งมัาสุดโทรมอาการทำลายตัวมันก็เริ่มขึ้น หมายถึงว่าการป่วยไข้ามาสบายมันจะเริ่มร่างกายจะไม่ทรงสุขปกติปกติมันจะเริ่มขึ้นนี่เราไปมองดูทีว่าไอ้ ก, การร่างกายที่แบ่งเอาไปสามสามส่วนันี้สามหรือ ส, สองก็ตา่างถ้าเติมมัตะเกมมะมัตเลุงคังมันสมองเข้าไปอีกถึงแบ่งเป็นสามว่าชิ้นไหนบ้างมันสะอาด ในตอนไหนบ้างมาสะอาดไม่มีสภาพทุกอย่างมันสกรปรกไปหมดร่างกายของคนก็ไม่สภาพเหมือนซากศพนี่เป็นอบวบ ก, กรรมฐานสองอย่างทั้งสมถะและวิปัสสนาไอ้ซากศพที่มันตายไปแล้วน้ำเหลืองออกมาน้ำเลือดน้ำเหลื อ, ลองน้ำหนองไหลเหม็นกลิ่นเหม็นคลุง อาการสภาพการอย่างนี้มันมีมาเมื่อคนตายและมันมีเมื่อคนยังไม่ตายใช้ปัญญาดูให้พิจารณาดีจะปรากฏว่าไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีถ้าเรายังไม่ตายหรือว่าคนอื่นยังไม่ตายน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําหนองมันมีอยู่อยู่ในร่างกายแต่ที่ว่ามันยังไม่หลั่งไหลไม่ปล่อยกฏก็ยังมีวิญญาณและธาตุ เป็นดวงจิตที่เข้ามาเสิ่ยงสถิตอในร่างกายเป็นตัวควบคุมเข้าไว้สั่งให้บรรดาเวทศาทตร์หลายควบคุมเสี่งสุกภพต่งางๆเหล่านี้ไม่ให้หลั่งหลายออกมาตอนนี้พอตายแล้วจิตมันออกไปจากร่างหาตัวควบคุมไม่ได้เมื่อร่างร่างกายตายลงไปธาตุไฟสลายตัวร่างกายวยินา เมื่อธาตุไฟสลายแล้วธาตุลมก็สลายหมายความความจริงธาตุลมสลายก่อนธาตุลมไม่มีที่ไหนถ้าไม่มีอากาศไม่มีลมจุดไฟไม่ติดไฟดับเมื่อลมหมดไปไฟดับเหลือแต่ธาตุน้ากับธาตุดินไอตัวน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองปัสสา ว, วะอะไรพวกนี้น้ำลายเป็นตัวธาตุน้าที่ของที่เข็งแข็งในร่างกายเป็นธาตุดิน มันก็ละไอด้ดามก็ละลายดินเมื่อที่แรกน้าละลายดินไม่ได้ก็มีไฟก็ไป็เครื่องอบอุ่นให้ดิ่งกับน้ํามีการส่งตัวความประคับประคองกันไว้ไม่แข็งเกินไฟไม่อ่อนเกินไปและขณะที่มีไฟก็ต้องมีลมสําหรับพัดเลี้ยงไฟให้ส่งตัวนี่พอตายไปแล้วถ้าไฟท่านลมหายไปเดี๋ยวถ้าท่านดิ่งถ้าท่านน้าทึ่เป็นสติวกัน น้ำก็ละลายดินเมื่อดินสลายตัวไม่สามารถที่ต้านทานอยู่ได้มีความอ่อนเปียกมากขึ้นทันที่สุดน้ำก็ซิมออกจากกายน้ำส่วนนี้ที่เราเรียกว่าน้ําเลือดําเหลือน้ำหนองส่งเป็นเหิงคลุ้ออก ม, มาจากกายเอ๊ทําไมมันจึงเหม่งก็เพราะของในร่างกายเราทั้งหมดในร่างกายของคนอื่นทั้งหมดมันมีสภาพสกป ร, รก ถ้าเรายังไม่ตายเราจะพิจนารณาได้ว่าภายในของร่างกายมีแต่ความสกปรกทั้งหมดคือว่าน้ำลายของเรายามปกติแล้วกลืนกินได้องค์ในปากได้แต่ว่าพอพูดออกมาจากปากแม้แต่มือของเราเองก็ไม่กลา้าที่จะไปแตะน้ำลายเพราะอะไรเพราะเห็นว่าน้ำลายสปกปรกแล้วถ้าจะาถามว่าน้ำลายมาจากไหน ก็มาจากภายในร่างกายเขาเองหรือน้ําลายที่มันมาจากภายในก็ร่างกายเขาเองน้ําน้าลายสะอาดหรือ ว, ว่าสกปรกนี่ส่วนหนึ่งที่เราหลังเกียดกันมากก็คือโอจาระปัสสาวะถ้าหลังไหลมาจากร่างกายแล้วเราลังเกียดจะว่าจะมือเข้าไปแตะเลยหน้าก็ไม่อยากจะหันเข้าไปมองเพราะมันมีสภาพเป็อย่างไง นี่เราก็ดูว่าจะรับปัสสาวะที่มันหลั่งไหลมาจะร่ายกายนั่นมันมาจากไหนละ่ะมันอยู่ในกายเราหรือว่าอยู่ในกายของคนอื่นมันออกมาจากกายเราเองให้กายเราก็เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกนี่กายของคนอื่นเป็นยังไงสภาพกายของเราเป็นยังไงสภาพกายเขากบคนอื่นก็เป็นเช่นนั้นนี่สําหรับสักกา ย, ยกระตานุสตินี้ งาสุภกรรมฐานนี่สำหรับพระนาคามีต้องพิจรารณาควบคู่คกันไปกับส ก, กายทิฏฐิพิจรารณาให้จิตท่งตัวไม่ไม่ใช่แบบนั่งหลับตาเปลยงนะกงวันกัางคืนตื่นอยู่หลับอยู่หลับตาอยู่ทำให้มีจิตเสมอกันเห็นสภาพต่างความเป็นจริงมองเห็นคนพับ ให้เห็นทะลุเข้าไปทีงภายในเลยจิตนึกเห็นเขาไปภายในว่าคนทุกคนเต็มไปด้วยความสุขสงบและคนทุกคนเต็มไปด้วยความทุกคนทุกคนหาความสุขไม่ได้ทุกข์เพราะความหนาวความร้อนความหิวความผู้หายเพรทะการป่วยไข้ไม่สบายการสูดทรงของร่างกายมีความตราถนาไม่สมหวังมีความตายไปในที่สุด ทุกเพื่อปร ะ, ะกอบผิดกายงานทุกอย่างนี่มันทุกทั้งหมดมันเป็นตัวทุกนอกจากทุกแล้วมันก็ยังจะมีสกปรกเสีอีกแลานี้เราจะพึงปรารถนาอะไรกับร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกร่างกายที่หาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ค่อยๆใช้ใจพิจารณาวนมาวนไปอยู่อย่างนี้ พยายามให้เห็นตามความเป็นจริงให้ได้ให้จิตแม่งรู้ซึ้งถึงความเป็นจริงไม่ใช่นึกเล่นๆนึกจริงๆนึกถึงตัวเราทุกวันแต่เห็นตัวเราแล้วไม่เห็นคนอื่นง่ายเมื่อตัวเรานี่มันสะอาดตรงไหนเนาะจริงที่ที่เราติดตาติดใจกันมากก็คือผิวหนังกระพ้านิดเดียว เป็นเครื่องลอยคนเป็นทุกข์ชอบนักกพผิวมันสวยเป็นงามมันสดมันสวยแต่ว่าผิวที่เห็นว่าสวยจริงๆเนี่ยสะอาดทุกสกปรกเราต้องอาบน้ำาแล้วเปล่าต้องใช้สบู่มาชาระล้างร่างกายมาแล้เปล่าที่เราอาบน้ําราอาบทำไมอาบเพื่รู้สึกว่าร่างกายมันสกปรกก็จึงอาบ อาบน้ำชะละร่างกายเสร็จแล้ววันหลังก็องทำหรือไมดีไม่ดีถ้าดูดอนแบบนี้อาจจะว่าถ้าต้องวันสองครั้งสาครั้งก็ได้ก็อเอื่อมันซึมออกมามันทําให้สุขบกอกเอื่อนี่มันอยู่ที่ไหนอเอื่อมันมาจาร่างกายหรือมันมาจากที่อืน่นก็ไปห้องเงื่อมันก็มาจากร่างกายมีใช้ปัญญาไปเจอนาให้เห็นค่อยค่อยคิด ให้คอยนึกเห็นตามความเป็นจริงเราเรียนหาความจริงกันในหลักพระพุทธศาสนาไม่ใช่จะมานหหมั่งโกหกมโเทศสตนเองไปเห็นตัวเราและวก็เห็นบุคคลอื่นดูหาความเป็นจริงให้พบเจนกระจิตสงดคิดว่าร่างกายของคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรกจริงเนื้อร่างกายของคนและสัตว์มีทุกจริงๆ ร่างกายของคนสัตว์หาความเที่ยงไม่ได้จริงๆมันมีการสลายตัวเป็นอนิสตุไม่มีใครจะบังคับบัญชาร่างกายให้มีสภาพส่งตัวไม่มีใครกล้าจะสแสดงว่าเราเป็นจะขอร่างกายจรงจั ง, จงโดยมีการบังคับให้ส่งตัวได้เพะนั้นเมื่อร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้เราจะไปเมามันเรื่องกุโลกีวิสัยประโยชน์อะไร ถ้าเราต้องการมีคู่ครองไอ้ตัวของเราเองคนเดียวมันทุกพออยู่แล้วไปได้คนอื่นมาเป็นคู่ครองมันก็เพิ่มทุกข์ทุกทั้งภาระที่ร่างกายเขาจะสุดโทรมทุกทั้งภาระที่ต้องอรับผลกระทบต้องรับอารมณ์ที่เราไม่พอใจมันสร้างความหนักใจสร้างสร้างความลาบากใจอยู่ตลอดเวลามีเป็นอันว่าร่างกายที่มันทุกข์ร่างกายคนอื่นก็ทุกข์ ร่างกายเราสกปรกเราต้องการขอสะอาดในเมื่อร่างกายเขาบุคคลอื่นสกปรกเราควรจรทำนามันมาเพื่อประโยชน์อะไรเป็นอันว่าค่อยๆคิด่อยๆไปค่อยๆพิจารณาจึงกว่าจิตจะมีอารมณ์เป็นเอกคาตารมณ์โดยนิยมเรารู้สึกอยู่เสมอว่าร่างกายเขาเราสกปรกร่างกายเขาบุงคลอื่นเขาสกปรก ร่างกายของเราไม่น่ารักไม่น่าพิสมัยร่างกายเขาคนอื่นก็ไม่น่ารักไม่น่าพิสมัยร่างกายของเราเป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายเขาคนอื่นก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายของเราในที่สุดกันจะตายร่างกายเขาคนอื่นในที่สุดกันจะตายจะผูกพันมันเรื่องอะไรร่างกายทั้งสองฝ่ายทัเราและเขาหลงไหลฝ่ายฝันเมามันรักมันเพื่อประโยชน์อะไร เรารักมันก็ชื่อว่าเรารักทุกข์เราไม่ใช่รักสุขเราเลิกรักวันสุดีกว่าเอาติดตั้งใจเฉพาะหน้าวางสังขารกับร่างกายเสียมุ่งไปผลิตภาณฑ์รบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอารมณ์ก็อ่าลาชามีเบื้องต้นเป็นข้อที่หนึ่งยังไม่จบสำหรับวันนี้เวลาหมดเสียแล้ว ต่อ น, นี้ไปเขามันดาใจพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงทำรวงจิตให้มัน่นกำหนดรู้ลงไม่ใจเขาออกใช้คำปรวัตนานและพิจารณาตามัติยาใสายี่งกว่าจะได้ยินเทีนญาณบอกหมดเวลา